ปาจิตติยากันว่าด้วยอาบัติปาจิตตีสุราปานวักวักว่าด้วยการดื่มสุราเป็นวักที่หกมีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งสุราปานวักในปาจิตติยากันห้ามดื่มสุราเมลัยพระสาคตะปราบนาคหรืองูใหญ่ของพวกะดินได้ะดินคือนักบวชนอกพระพุทธศาสนา หรือที่เรารู้จักกันในานามของฤษีนะครับพระสาคตะปราบนาคหรืองูใหญ่ของพวกฉดินได้ชาวบ้านดีใจปรึกษากันว่าจะถวายอะไรดีที่หาได้ยากภิกษุชาพัคีแนะให้ถวายเหล้าใสสีแดงด่างเท้านกพิราบชาวบ้านจึงเตรียมเหล้าแดงไว้และถวายให้พระสาคตะดื่มพระสาคตะเมาน อ, นอนอยู่ที่ประตูเมือง พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุดื่มสุราคือน้ำเมาที่กลัน่นและเมรยัยคือน้ำเมาที่หมักหรือดองทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่สองสุราปานวักในปาจิตติยกันห้ามจีภิกษุ ภิกษุฉัพภะคีเอานิ้วมือจี้ภิกษุสัตตรสะสาวกีคือพวกสิบเจรูปหนึ่งเธอสะดุ้งเลยขาดใจตายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจี้ภิกษุต้องปาจิตติสิกขาบทที่สสุราปานวักในปาจิตติยากันห้ามว่ายน้ำเล่น ภิกษุพวกสิบเจ็ดเล่นน้ำในแม่น้ำอาจิระวดีพระเจ้าประสเสนทิออกอุบายปากขนมไปถวายพระพุทธเจ้าเพื่อให้ทรงทราบว่าภิกษุเหล่านี้ไปเล่นน้ำพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุว่ายน้ำเล่นทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่สี่ สุราปานวักในปาจิตติยากันห้ามแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในวินยัยพระช น, นะประพฤตอนาจาริภิษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนกลับไม่เอื้อเฟื้อขืนทาต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุไม่เอื้อเฟื้อในวินยัยต้องปาจิตตี สิกขาบทที่ห้าสุราปานวัคในปาจิตตยากันห้ามหลอกภิกษุให้กลัวภิกษุฉัพพคีพวกหหลอกภิกษุสัตระสวัคีพวกสิบเจ็ดให้กลัวผีจนร้องไห้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุทำให้กลัวต้องปาจิตตีสำหรับสิกขาบทข้อนี้ รวมไปถึงการแกล้งพูดให้กลัวโจรกลัวสัตว์ร้ายกลัวผีเข้าในข้อนี้ทั้งสิ้นสิกขาบทที่หสุราปานวั์ในปาจิตติยากันห้ามติดไฟเพื่อผิงภิกษุทั้งหลายก่อไฟผิงในฤดูหนาวงูร้อนออกจากโพรงไล่กัดภิกษุแตกหนีกระจายไป พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุก่อไฟเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นก่อไฟก็ดีเพื่อจะผิงต้องปาจิตตีภายหลังทรงอนุ ญ, ญาตให้ทำได้เมื่อเป็นไข้และสำหรับภิกษุที่ผิงไฟที่คนอื่นเขาก่อไว้แล้วไม่ผิดสิกขาบทที่เจสุราปานวัคในปาจิตติยากัน ห้ามอาบน้ำบ่อยๆเว้นแต่มีเหตุภิกษุทั้งหลายอาบน้ำในแม่น้ำตโปธาพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จไปจัดสนานพระเกศาทรงรออยู่ภิกษุเหล่านั้นอาบอยู่จนค่ำพระองค์จึงได้สนานพระเกศาทีหลังและกลับไปไม่ทันประตูเมืองปิดต้องทรงพักค้างแรมอยู่นอกเมืองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุอาบน้ําก่อนกําหนดกึ่งเดือนทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดภายหลังทรงอนุญาตให้อาบน้ําได้ก่อนกําหนดระยะกึ่งเดือนในเมื่อมีเหตุจําเป็นเช่นร้อนจัดเจ็บไข้และสําหรับในปัจจันตประเทศเช่นประเทศไทยไม่เกี่ยวกับสิกขาบทนี้ พระทรงบัญญัติสำหรับประเทศภาคกลางของอินเดียเท่านั้นสิกขาบทที่8สุราปานวักในปาจิตติยะกันให้ทำเครื่องหมายเครื่องนุ่งหม่มภิกษุและปริภาชกเดินทางจากเมืองสาเกตมาสู่เมืองสาวัตถีจนปล้นระหว่างทางเจ้าหน้าที่จับโจนได้พร้อมทั้งของกลางจึงขอให้ภิกษุ ไปเลือกจีวรของตนที่ถูกชิงไปภิกษุเหล่านั้นจําไม่ได้เป็นที่ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุได้จีวรใหม่มาพึงถือเอาเครื่องทำให้เสียสีสีใดสีหนึ่งในสามสีคือสีครามสีคโครนสีดำคล้ามาทำเครื่องหมายถ้าไม่ทำอย่างนั้นใช้จีวรใหม่ต้องปาจิตตี สิกขาบทที่เก้าสุราปานวัคในปาจิตติยากันวิกัปจีวอนไว้แล้วจะใช้ต้องถอนก่อนพระอุปนนทะสักยบุตรวิกัปจีวอนกับภิกษุอื่นแล้วยังไม่ได้ถอนใช้จีวอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุวิกัปจีวอนกับภิกษุภิกษุณี นางสิทธคมานาสามาเณรหรือสามาเณรีแล้วใช้สอยจีวร น, นั้นที่ยังไม่ได้ถอนต้องปาจิตตีสำหรับวิกัปคือทําให้เป็นสองเจ้าของถ้าผ้าเกิดขึ้นเกินจําเป็นที่อนุ ญ, ญาตให้มีได้ภิกษุจะต้องทําให้เป็นสองเจ้าของกับภิกษุหรือภิกษุณีเป็นต้นเวลาจะใช้ก็ต้องขออนุญาต ตอผู้ที่ตนมอบให้ร่วมเป็นเจ้าของก่อนสิกขาบทที่10สุราปานวักในปาจิตติยากันห้ามเล่นซ่อนบริขารของภิกษุอื่นภิกษุพวกหซ่อนบาทบ้างจีวรบ้างของภิกษุพวก17ซึ่งไม่ค่อยเก็บงำบริขารคือเครื่องใช้ของตนให้เรียบร้อย พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุซ่อนบาทจีวรกล่องเข็มประคดเอวของภิกษุแม้เพื่อจะหัวเราะเล่นต้องปาจิตตี